วันนี้เป็นวันขึ้นสองค่ำเดือนห้าปีถานะคะซึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอุดรก็คงจะทราบว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทาหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทําบ้านนะคะที่จะกราบ สนทนาธรรมะหรือเรียกกันว่าสากัชชากับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุญโนซึ่งท่านเป็นผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกรนปิดวาจาของตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์จะเรียกว่าเก ปลายเดือนมีนาคมนี้จะมีเรื่องอะไรที่มาสนทนากันบ้างนั้นนี่ดิฉันอยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังมากลาบนามัศการแล้วก็พูดคุยสนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโนกันเลยนะคะกราบนามัศการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมคิดว่าจะมาสนทนาอ เรื่องเดิมหนึ่งเจา้าค่ะที่ว่าะจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของท่านผู้ฟังทางบ้านมากเลยแล้วก็หลายท่านก็ยังยังสับสนกันอยู่สับสนเจา้าค<ช>่ะก็คือเป็นเรื่องของเหตุของความทุกข์เจา้าค่ะใช่แล้วก็พอพูดถึงความทุกข์เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันมันเกิดจากความอยากของเราเองนี่แหละพรถ้าเราไม่อยากเราคงไม่ทุกข์ใจอะไรอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนนีเจ้าค่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัณหาโยมก็อยากจะถามว่าความทุกข์กับ ตัญหาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนท้ายว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกเนี่ยเราจะทํายังไงเจ้าค่ะยิ่งหมดเลยเจ้าค่ะจริงจเรื่องนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องกุเตใจที่มาจากข้อสังเกตของของหลายๆลายคนอาจจะสังเกตว่าเนี่เราตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราก็หิวข้าวนะหิวข้าวเราก็อยากกินข้าวนะเป็นข้าวบางคนชอบกินข้าวขาหมูหรือว่าชอบกินข้าวไอเขาเรียกข้าวหมูแดงอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ชอบไปเหมือนกัน มันก็ชอบกินก็เหนียวส้มตาแป่เขาชอบไปกินอย่างที่เขาชอบจ่ค่ะนะทีนี้ว่าถ้าเผื่ว่าเขาไม่ได้กินหรือว่าอยากอยากกินตามมีตามได้อย่างเงี้ยค่ะไอ้ความอยากซ้ำสมัยสมผลอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าความอยากไม่ได้เรียกว่าตันตันหาคือผู้เชี่ยวเคยพูดถึงเหตุของตันหาเนี่ยเหตุของความทุกข์เนี่ยคือตันหาทีนี้ตันหาในแปลเป็นไทยมันแปลว่าความอยากกออายอยยักษ์ารกอไก่เนี่ยนะความอยากทีนี้ความอยากที่ใช้ในภาษาไทยมันยังใช้กันอย่าง ใหญ่เขาเรียกว่ากินความโดยรวมใหญ่มาก<จ>แต่ว่าตันหาที่พู้เช่าพูดถึงเนี่ยกินความเฉพาะนะคื อ, อความอยากมันมีอยู่สองแบบถ้าพูดภาษาไทยนะ<จ>อยากดีก็มีอยากชั่วก็มีถูกไหมที<จ>นี้ไอ<จ>้พวกอยากดีๆเนี่ยสมมุติคุณอยากเรียนให้จบคุณอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คุณอยากเป็นคนที่แก้ปัญหาของประเทศพุน<จ>นี้เราจะพูดกันอย่างนี้กัน<จ>ในคําของภาษาไทย<จ>คือใช้คําว่าอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นทีนี้พู้เช่าบอกว่าความอยากเป็นทุกข์ ก็เลยมามีความสับสนว่าอ้าวนี้ฉันจะไม่มีความอยากเหรอเลยไปเข้าใจแบบว่าโอ้ยาศาสนาพูดนี่ถ้าเรานําถือแล้ว ประเทศชาติมันจะพัฒนาได้ยังไงคนจะไปยังไงและบ้านเมืองมันจะเจริญหรอเจ้่ะในสับสนกันตรงนี้ก็คือคนก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดว่าคนก็จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรคุณไม่ต้องอยากทำอะไรตื่นเช้ามาก็ไปนอนต่อเจ่ะอย่างนี้กินข้าวอะไรไม่กินอย่างนี้ไม่หิวข้าวหรอใช่ไหมมันเป็นคนละประเด็นจึงต้องทําความเข้าใจในเรื่องของบทพยัญชนะตรงนี้ให้ชัดเจนเจ้าค่ะเราไปทีละประเด็นก่อนคุณเดนใจเอาเรื่องแรกที่ต้องทําความเข้าใจคือความทุกข์กับตัณหา นะทุกกับเหตุของทุกไม่เหมือนกันค่ะพระเจ้าพูดถึงความอยากคือเหตุของความทุกข์ใช่ไหมความอยากเป็นเหตุของความทุกข์พูดใหม่ให้ให้มันถูกเป๊ะๆนิดนึงตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ตัณหาความอยากไม่เหมือนกันทีเดียวคือไม่เข้ากันร 0% อต่างกันยังไงจ๊ะต่างกันตรงที่ว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเป็นความอยากในทางการอยากในความมีความเป็นอยากในความไม่มีไม่เป็นแล้วก็อยากเนี่ยเป็นไปกับด้วยความเพลินด้วยอำนาจความเพลิน มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆถ้าเรามีความเพลินในสิ่งนั้นนั่นแหะคุณมีความอยาก ม, มีตัณหาละ <Okay. S 2> แต่ถ้าคุณยังมีสติอยู่แต่แล้วเรามีความปรารถนาหรือว่าความพอใจในการทําสิ่งๆนี้ <Okay. S 2> สมมติว่าคุณทําความสะอาดห้องอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ที่ทํางานของเราบ้านของเราห้องนอนของเราต้องสะอาดใช่ไหมคือถ <Okay. S 2> ้าบอกฉันไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากทำหรอกดังั้นเราจะทําความสะอาดเราไม่มีความอยากเนี่ยมันจะทําไม่ได้ ก็ม่ทำสติก็ไม่ทําะสติห้องกสอง็สกปรกสิมันก็ไม่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมตรงนี้เราเรียกว่าวเราเรียกความพอใจอคุณพอใจในความสะอาดคุณจึงทําความสะอาดความพอใจตรงเนี้คือคือถ้าพูดเป็นภาษาไทยอ่ะก็ฉันรักความสะอาดฉันอยากให้ห้องฉันสะอาดอยากนะแต่อยากตรงนี้ไม่เพลินอยากตรงนี้คือคุณมีสติอยากตรงนี้คือคุณมีไปตามเหตุตามผล อยากในสิ่งที่ดีว่ามันเจนะ๋ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําศัพท์ที่ที่พระพุทธเจ้าใช้ดีกว่าเพื่อความไม่สับสน<จ>ถ้า<ะ>เราพูดอยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยากดีหรืออยากไม่ดีมันจะสับสนและไม่เข้าใจปิดกัน mm hmm. เพราะอาจารย์ก็จะแนะนําคําที่สองที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคำว่าชันทะคือความ<ช><จ>พอใ จ, จแต่ตอนนี้เราพูดถึงสองคำอยู่คือชันทะคือความพอใจแ ล, แล้วก็ตัณหาคือความอยากช<ะ>ันทะความพอใจแบบดีก็มีแบบไม่ดีก็มีตัณหามีแตนะ่แบบไม่ดี ปัญหาอยาให้มีภาษาไทยเนี่ยคำว่าอยากเนี่ยนะคือใช้รวมทั้งฉันทะด้วยใช้รวมทั้งตัณหาด้วยจึงมีความสับสนไงเจ้าค่ะทีนี้นทางศาสนาจะแยกกันเลยแยกกั น, น, <ะ S 2> นเลยโดยเด็ดขาด<า>ที่ว่าในคำคำสองพระเจ้าเนี่ยใช้คําว่าฉันทะเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นฉันทะราคะแะฉันทะราคะนี่ก็คือความพอใจในสิ่งที่เป็นราคะอันนี้จะเป็นฉันทะที่ไม่ดีความพอใจที่ไม่ดีไหอย่างสมมติโจรนะคุณตุ้นใจมันก็พอใจเรื่องที่ว่าได้ขโมยของคน คนที่เป็นคนเป็นนักเลงอย่างเงี้ยเป็นคนชั่วช้ารามกเขาก็พอใจที่จะได้แกล้งเพื่อนอือย่างเงี้นั่นแพรจะดูประตูนมีใจแอนนะใจแอนมันก็จะพอใจที่มันได้แกล้งเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นคนไม่ดีนั่นคือเป็นความพอใจในราคะอืทีนี้อย่างความพอใจในในการทํากุศลธรรมความพอใจในการพูดดีคิดดีทําดีความพอใจในการที่จะเป็นคนกระตันอยู่พวกเนี้ยคือความพอใจที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพอใจ นะเราก็ต้องพูดให้ถูกว่าพอใจที่เป็นเหตุของความทุกข์หรือพอใจที่เป็นทางออกจากทุกข์นะท่านพระอนุนเคยพูดไว้นะว่าเราเจริญฉันทักษเนี่ยก็เพื่อละฉันทัะเจริญฉันทะก็เพื่อละฉันทะนะก็คือเราเรามีความพอใจในการที่จะละตัณหาละตัณหาระัณหาละตัณหาจนหมดเมื่อไหร่ฉันทักก็หมดไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็คือการที่ไปถึงที่สุดแห่งการบระพฤติปรมจร ทีนประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คุณเตือนใจมีอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเราปฏิบัติธรรมะอย่างไงี้ยเราจะเราบอกว่าเราไม่มีความอยากในความอยากเป็นหน่งของความทุกข์เราต้องละใช่ไหมทีนี้แล้วเราถ้าเราไม่อยากประพฤติธรรมะแล้วเราจะประพฤติธรรมะได้อย่างไรแต่คนที่เขายังไม่เข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเขาก็จะมีข้ออข้อแก้ไขข้อสงสัยว่าโองั้นอริยสัจสีนี่จะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้โดยตัวเองเพราะว่าคุณมันพูดกำกวมกันน่ะ นะเหตุ hey, ของทุกคุณต้องละในขณะที่คุณต้องประพฤติให้ออกจากทุกคุณต้องมีความอยากอ ม, มันก็จะไปไม่ได้นะเรา<ช>ต้องพูดชัดเจนว่าคุณต้องมีความพอใจหรือฉันทะในการเจริญตามมรรคในขณะเดียวกันคุณต้องละปัญหา<ช>เพราะว่า พ, พ, พอคุณมีความพอใจในการเจริญตามมรรคเจริญตามมรรคเนี่ยตัญหามันจะค่อยๆลอกออกขูดออกเบาลงไปบางลงไป<ช>นะอตัญหานี่มีสภาพเป็นเป็นแบบยางเหนียวขึ้นใจเป็นแบบของเหนียวเหนียวเป็น ของยืดยืดเหมือนกับกาวดักหนูเจ้ค่ะเคยเห็นกาวดักหนูไหมเห็นจ้ค่ะพอพอหนูมาติดนี่หนึบนไม่ได้ลแล้วพอหนูมาติดมันจะาขามันมาติดก่อนเจ้าค่ะพอมันดิ้นไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเอาขาหน้าของมันอีกข้างมาช่วยเจ้าค่ะมันก็ติดสองข้าลแล้วที่มเก้าขามาช่วยอีกก็ติเป็นสาม เอาขาอีกข้างหนึ่งมาช่วยก็ติดเป็นสี่แล้ ว, วสุดท้ายเอาปากมาช่วยกัดดึงออกไปติดหมดเลยติดหมดเลยติดทั้งตัวเลยทีนี้ไปไหนไม่ได้เลยออืนี่คือลักษณะของกาวดักหนูเหมือนกันเราเราหลงอยู่ในตัณหาเนี่ยคือโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยคุณเพื่อนใจมันไหลไปตามกระแสกระแสของตัณหาพระเจ้าเคยเปรียบตัณหาหนอกจากเหมือนยางเหนียวแล้วเนี่ยนะยังเหมือนกับกระแสน้าเชี่ยวออืคระเจ้าพาทุกอย่างไปตามตามตามใจมันใช่นสมัยนี้เขานิยมอะไรกัน เขาเนยมอะไรกันดารานี่เขาทาผมยาวโอ้ทุกคนทำผมยาวหมดเดารานี่เขาใส่ชุดอย่างนี้เดินนี่ก็โปรงยาวทุกคนก็หินก็โปรงยาวหมดเดี๋ยวนุงกางเกงขาสั้นเดินไปไหนมาไหนได้ตลอดเลยช่ก็จะเป็นจะเป็นไปตามกระแสชั่วค่ะอ่าทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องทวนกระแสคนใจทวนกระแสของตัณหาชั่วค่ะทวนกระแสของความอยาก คือไม่ใช่ว่าเราไปขวางโลกนะอันนี้ก็จะทําให้คนเข้าใจสุดตรงไปอีกเรื่องหนึ่งว่าโอศา ส, สนาพูดเป็นเรื่องของคนขวางโลกมัน<ช>ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการทวนกระแสะของความอยากและทวนกระแสะคุณมีมาตรฐานอะไรคือถ้าเราบอกว่าอะเดี๋ยวนี้เขานุ่งกางเกงขาสั้นกันฉันจะนุ่งกางเกงขายาวพวกสุดตรงก็จะเป็นอย่างแบบนี้พวกสุดตรงอย่างแบบหนึ่งก็เขานุ่งกางเกงขาสั้นกันใช่ไหมฉันไม่นุ่งเลยนี่ก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่ทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางเราก็คือแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างนี้คือทางส า, สายกลางกาลเทศาใช่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่พูดถึงสุดตรงสองข้างแต่พูดถึงการปฏิบัติตามศีหนพูดถึงการปฏิบัติทางจิตคือสมาธิพูดถึงการเพียนเผากิเลสคือปัญญาก็คือพูดถึงมรรคสีนสมาธิปัญญาคือทางสายกลางาแล้วเขาทาอะไรกันยังไงไปไม่เป็นไรเราไม่ไปทวนก็คือเราไม่ไปแบบเถียงกับเข า, ขาไม่ไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่ง่คือเถียงสุดตรงข้างนี้ไปเลยหรือม่นก็เถียงสุดตรงอีกข้างนึงไปเลยแต่เราก็ปฏิบัติตาม ธรมธรมมาธรรมะที่พุทเจ้าสอนนี่คือทางสายกลางคือคือไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะคือทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางแต่ที่ธรรมาบอกเนี่ยเขาเขีย้งเกณฑ์ขาสั้นใช่ไหมอ่าสุดตรงข้างหนึ่งเกณฑ์ขายาาสุดตรงอีกข้างนึงไม่ใส่เลยเราว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างหรือไม่ใช่ทั้งสามอย่างจุกค่ะแต่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งไปเลยอืมจุกค่ะที่เป็นที่เป็นที่ดีและเหมาะสมใช่พุทธเจ้าก็จะใช้คําว่าทางสายกลางจุกค่ะอ่าคือเครื่องทวนกระแสทางสายกลางตรงเนี้ยจะทําให้ไอ้ตัณหาเนี่ย มันละไปได้อย่างถูกวิธีละตันหาไปได้อย่างถูกวิธีคือเข้าใจะหมสมัยก่อนเขาก็จะมีการเอาเอาตัวไปตากแดดหรือว่าทำเอาตัวไปนอนบนน้าทำตัวให้ทรมานเพื่อที่จะได้เอาตัณหาเนี่ยคือเอาเอาตัวคิดว่าตัวเนี่ยเป็นตัวมีปัญหาไงเ่อะตัวเองมีปัญหาก็เลยทำให้ตัวเองให้ทรมานเพื่อที่จะให้คนอื่นพอใจ หรือเทพเจ้าพอใจแล้วก็จะได้บรันรดาลให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าตัวเองเคยทำความผิดมาก็ลงโทษตัวเองเพื่อสาสมและฉันก็จะได้มีความสุขอย่างซึ่งจริงๆเหตุของความทุกขจริงๆอยู่ที่ข้างในใจทีนี้ เรื่องของตันหาเนี่ยมันจะมีหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันก็มีความทุกข์แบบหนึ่งคนรวยก็มีความทุกข์ของคนรวยนักการเมืองก็จะมีความทุกข์ของนักการเมืองนักธุรกิจจะมีความทุกข์ของนักธุรกิจนะนักเรียนอ่ะคนเตือนใจก็ยังมีความทุกข์ของคนที่เป็นนักเรียนใช่ไหมแต่ละคนแต่ละท่านที่มีความทุกข์แต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยเหตุของความทุกข์มันมาจากอันเดียวกันนั่นก็คือตัห <siz S 1> ตนหาอืที<ๆ>นี้ตันหาตรงนี้ มันไหลามารวมกันได้ยังไงนะก็อันนี้เราเคยพูดไปในรายการทีหนึ่งแล้วว่าเราต้องค่อยๆสาวหาเหตุทีละขั้นละตอนใช่ไหมสาวหาเหตุทีละขั้นทีละตอนเราจะพบว่ารากลึกที่สุดของมันเนี่ยจะไปอยู่ติดอยู่ที่ตันหาหรือ ค, คนจะมีความตันหานะทีนี้ในขณะเดียวกันนะเราจะสมดุลชีวิตของเราอย่างไรนะจะทํำยังไงให้มันสมดุลว่าเออเราจะเจริญความฉันทนะโดยที่ไม่ให้มีตันหาเพราะตันหาเรามีแมากจะทุก เนี่ยคนทํางานในในที่ทํางานคุณเฉนใจแล้วคุณมีความอยากมากๆเลยอยากให้ให้ยังงี้ต้องเป็นอย่างงี้เท่านั้นอย่งอืนไม่ได้หรืออยากขึ้นตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอยากได้สอางคุณจะมีความทุกข์มากจริงๆอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออแล้วทีนี้ก็จะเป็นสุดต่อีกข้างหนึ่งว่างั้นฉันไม่ทําอะไรเลยตื่นช้ามาฉนก็เช้าชามชามเยนชามสั่งก็ทําไม่สั่งก็ไม่ทําอย่างเงี้ยเอองั้นงั้นมันก็ไม่ถูกนี่คือสุดต่งข้างหนึ่งสุดต่งอีกข้างหนึ่งคือทําอยากเกินไป ใช่ไห ม, ไหมทีนี้เราจะทํายังไงให้มันสมดุลเนี่ยคือความพอใจคุณจะต้องมีเป้าโดยที่คุณไม่ยึดในเป้าเป้า ห, หมายในเป้าหมายของคุณนะนะใช่ไห ม, ใ, ไหมในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่มีเปา้าเราก็ต้องคือเราต้องมีความพอใจในในหน้าที่การงานของเราบางคนต้องทํางานแบบที่มีเป้าบางคนต้องทํางานแบบตามหน้าที่ อย่างเี้นะซึ่งแต่ละคนก็จะทํางานไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราจะตั้งความพอใจตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่เราจะต้องหาสมดุลแห่งธรรมนั้นไฉดา ค, คือต้องค้นหาด้วยตัวเองใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ต, ต่างกันที<จ><จ> น, นี้<ะ>ไอ้ตามทางที่เราจะค้นหาจุดสมดุลตรงนี้เนี่ยเส้นทางที่คุณจะไปถึงจุดสมดุลตรงนี้ได้เนี่ยก็พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วชัดเจนขึ้นศีลสมาธิปัญญาคะ่ะคือคุณเดินตามมัตคุณจะไปถึงจุดสมดุลแห่ง อตรงกลางตรงนี้ได้มันตะช่างมันอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยนะคุณก็ค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปมันก็ไปตรงกลางเองไอ้กระบวนการการปรับตรงเนี้ยคือคุณเดินตามศีลสมาธิปัญญาสมมติคุณอยู่ในสังกักงานเขาชวนไปกินเหล้าตอนเย็นเฮ้ยฉันไม่ไปเพราะคุณปฏิบัติตามศีลก็ใช่ไหมแถ้าคุณบอไม่ไปแล้วตำแหน่งจะไม่ขึ้นอาจจะคุณจะไปผิดวิธีอืคุณจะมีเพื่อนชั่วละแต่ถ้าผมว่าเราไปคนชวนคนอื่นแต่เราก็เป็นคนไม่ดีแล้วชวนคนดีไปทําไม่ดี เราก็เลยจะต้องหาจุดสมดุลตรงนี้โดยมีบรรทัดฐานแห่งการากระบวนการในการทํานั่นก็คือตามมาัชพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะพบว่าเอ อ, อการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมันจะไปได้จุ๊ค่ะแล้วยังพระอาหารทุกองอ่ะคุณตื่นใจพระพุทธเจ้าบอกว่ า, เอ า, เ, อาเอาแม้แต่พระองค์เองนะมาเป็นสัมมาสมังขุตเจ้าได้เนี่ยก็เพราะว่ามีความพอใจมีฉันทะจุ๊ค่ะตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่ ใช่ไหมความเป็นความเพียรในการที่จะมาเป็นสมาสัมปริโพธิญาณเนี่ยมีคนมาแกล้งมีคนมาใส่ร้ายมีคนมาผูดยี่ผู้ยำผ่านความทุกข์ทรมานทุกอย่างเนี่ยนะก็เพื่อที่จะตั้งใจไว้ว่าฉันจะต้องเป็นสมาสัมปอริชาให้ได้ฉันจะต้องบรรลุสมาสัมโพธิญาณให้ได้ในอย้าื่จะไม่สนเนี่ก็คือมีความปรักหนามีความอยากอย่างนี้ชื่อว่าอย่างงี้พระเจ้าเป็นบริษัทยยังมีความอยากแน่ละใช่ไหมก็คือตั้งความพอใจไว้ คือถ้าอยากเนี่ยฉันก็ฆ่าทุกคนให้หมดในโลกเลยฉันก็เหลือคนคนเดียวใช่ได้เป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันมันไม่ใช่กระบวนการอย่างนั้นจะผิดจ ะ, จะผิดตามมาไงอ่าเพราะฉะนั้นก็จึงต้องเป็นการเพียรทําให้จิตของตัวตัวเองเนี่ยสะอาดขึ้นมาค่ะทีนี้พอมาเป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วโอประกาศอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าตัวฉันไม่มีตัณหาแล้วค่ะเอาแล้วทําไมถึงมาอยากให้ลูกศิษย์ลูกสาวบนุกอ่ะอเออทําไมอยากที่จะแสดงดำอ่ะ ใช่ ค, ค่ะอ่าซึ่งตรงนี้เราต้องมาเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่ตัณหาแต่ตรงนี้เป็นฉันทะความพอใจใช่ ค, ค่ะอ่าตัณหาเนี่ยคืออะไรเรามาย้ํากันอีกทีหนึ่งตัณหาเนี่ยคือความกำหนัดที่เป็นไปกับด้วยอํานาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นคือความกำหนัดนะจำให้ดีคคกำหนัดเพลินนักามอยากมีอยากเป็นคคแต่มีคือสวดเหล่านี้นี่คือตัณหาอยากให้มีในสิ่ของเราใช่ค่ะอย่าอีกครั้งหนึ่ง ความเพลินนะความกำหนัดการอยากมีอยากเป็นพวกนี้อยากให้มีในจิตของเราอันนี้คือเป็นตัญหาจะไม่ดีแต่แต่ความพอใจฉันทะที่ดีคืออะไรคือทำตามเหตุตามผลทาตามเหตุตามผลอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำพระนพุทธเจ้าอย่างี้ยแสดงธรรมนะว่าโอ้ฉันจะต้องมีตำแหน่ง ที่ให้คนมานับถืออยากให้มีอยากมีหน้าต า, ย อ, ยาอย่างคนไฮโซใช่ไหมเขาจะต้องขับรถหรูๆใช้กระเปะ๋าตังค์แพงๆปทรศัพท์มือถือดีๆมีสักหลายๆเครื่องหน่อยเสื้อผ้านี่ต้องอืเป็นของแบรนด์เนมเพื่อที่จะมีความอยากที่จะเป็นอยาจะเป็นคนไฮโซอย่างนี้นะก็จะเป็นตันหาหล่ะอันนี้ชัดเจนทีนี้ถ้าเราจะทําให้ถูกหาสมดุลแห่งทําให้ได้ ในเดียวกันคุณปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามระยญาบัตมายองแปคุณก็แต่งตัวตามความเหมาะสมไปงานเลิศรอูอลังการคุณตื่นใจมันก็ต้องแต่งตัวตามงานใช่คุณจะไปะที่ตามแบบกินข้าวเขาเรียกว่า ข้างถนนอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งตัวตามนั้นแหะนะใช่ไหมเขาไม่ใส่เพชรเม็ดโตๆไปกินไม่จับข้างถนนนะเช่นเดียวกันเราต้องหาจุดสมดุลให้ได้พระเจ้าเองตอนที่แสดงธรรมก็ไม่ใช่เพื่อว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อลาบสักการะไม่ใช่เพื่อล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เพื่อที่จะประกาศลัทธิใหม่ขึ้นมาแต่เพื่อประโยชน์คือให้คนพ้นทุกข์เพราะตรงนี้คือเป็นความพอใจที่ที่พระเจ้าของเรามีเป็นความกรุณาที่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นแสงสว่างตรงนี้แล้วจะได้ <ทำ S 1> ไข่ไข่ข้อข้องใจของตัวเองดับตัณหาได้ผลทุกได้ทีนี้ตัวเราเองเนี่ยเราจะเอาตรงนี้มามาพัฒนาการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทายังไงดีเจ้าค่ะเราต้องเดินตามมรรคเจ้าค่ะเราต้องเดินตามมรรคเดินตามทางอย่างที่บอกนะว่ า, าไม่ให้จิตของเรามีตัณหามาก คืไม่ใช่หวังว่ามีตันหาน้อยๆจะดีนะคือตันหานี่ไม่มีเลยจะไม่มีจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเราค่อยๆลดทอนลงนะคใช่ใช่ก็จะค่อยลดทอนตามกระบวนการเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่อยๆลอกออกไปอือืมเค่ะใช่ล้างออกไปมันเป็นยางเหนียวอืมเจ้ค่ะมันมันจะล้างยากของที่ไม่ดีไม่ดีเราต้องล้างด้วยของน้ําดีๆคือของสกปรกเนี่ยอ่าเราต้องเอา น้ำดีมาล้างในที่เราเคยคุยไปใช่ไหมช่วงน้ําท่วมที่ว่ามันเลอะคราบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเราต้องเอาน้ําสะอาดๆมาฉีดล้างก่อนรอบหนึ่งเราต้องไม่ใช่ล้างรอบเดียวมันเสร็จนะต้องล้างรอบสองเอาแฟบใส่เอาอะไรใส่ขัดต้องอะไรขัดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไตามซอกเล็กซอกน้อยก็ยังไม่หมดอีกต้องเอาน้ำยาชนิดพิเศษเข้าไปไล่ตามซอกออกแปรงสีฟันขัดคือคือไม่มีใครเขาเอา ขอโทษนะเอาอุจจาระมาถูกําแพงเพื่อที่จะล้างมันสะอาดนะมันมันไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้เจ้าค่ะเราจะเอาหน้ำยอ่อเอาหน้ำบ่งไม่ได้เราจะต้องเอาคือถ้าเอาหน้ำยอ่อเอาหน้ำบ่งเนี่ยเราหมายถึงว่าเราใช้ความเพียรเจ้าค่ะใชม่มันมาแรงเราอัดมันกลับด้วยความเพียรของเราเจา้าค่ะความเพียรอยู่ในมาร์กไงอ่าเพราะนั้นเราก็เดินตามมาร์กของเรากระแสของตันหามันแรงมากโอ้โหเราจะทวนกระแสนี้ได้ยังไงแต่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างของมีหมอหมอหนึ่ง คือนายคนหนึ่งเขาว่ายอยู่ในน้ําเล่นน้ําเพลินสบายใจมากเลยปรกากฏมีคนอยู่บนฝั่งนะเขาก็ลองตามกระแสแม่น้ําไปลองดูภาพตามนะว่าท้ายแม่น้ําเนี่ยที่ที่ปลายน้ําเนี่ยมีอสุรกายมียักษ์แล้วก็มีน้ํามนต์อยู่ถ้าอิตาคนนี้ที่เล่นน้าเพลินอยู่เนี่ยว่ายไปตามน้าล่องน้าไปเพลินเนี่ยไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนถูกน้ําดูดลงไปแล้วก็ยังมีอสุรกายคอยเล่นงานอยู่ในน้ําด้วย ค, คนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเขาบอก อา้าคุณคณรู้ไหมข้างล่างนี่มีปัญหาอยู่นะมีทั้งส่วนร่างกายทั้งน้ำมนุ์คุณไปถึงท้ายแน่นอนจุ๊ค่ะพอเขาได้ยินดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่มีสติมีปัญญาเขาจะรีบตะกายเลยพยายามด้วยมือและเท้าไหวเพื่อที่จะเข้าฝั่งให้ได้ออก จ, คคจากการเล่นน้ําตรงนั้นอืมจุ๊ค่ะเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยจใช่เพื่อให้ชีวิตปลอดภัยเช่นเดียวกันเรากําลังอยู่ในกระแสะของตันหาจุ๊ค่ะนะเียเฮาง่ายๆเปิดตื่นเช้ามาเปิดทีวีดูข่าวมันมีอะไรบ้าง มีข่าวร้ายๆฉงนั้นเจ้าค่ะเอามาถึงที่ทํางานมีหนังสือพิมพ์มาไวอยู่มันโต้เปิดดูสิพิมพ์มีอะไรบ้างโอ้โหเจ้าค่ะร้<อ>ายๆถ้าเร า, าต้องคนกระแสตรงนี้จ้าค่ะเขาก็จะบอกว่ากินเหล้าดีอืเขาก็ จ, าจะบอกว่าทําผิดอย่างนั้นดีมีข่าวตัวอย่างของคนที่ทําผิดเยอะแยะมากมายมาลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเป็นเครื่องที่เหมือนกับสะกดจิตเราให้เราไปทําผิดอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเจ้าค่ะเข้าใจไหมเจ้าะสมมติคนผิดลูกผิดเมียกันอย่างเงี้ยโอ้มี กือบทุกวันนั่งหนังสือพิมพ์เราก็อาจจะชาชินแล้วเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับพระอาาบอกอย่างนี้เตือนใจบอกว่ า, จ, าจิตที่ดําริถึงสิ่งใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะถ้าเราเห็นข่าวอย่างนั้นมากเห็นข่าวอย่างนี้มากจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นนะจูกค่ะเพราะเราควรจะแทนที่เราจะไปดูเรื่องที่มันร้ายๆเพื่อเป็นสติเตือนใจอย่าไปดูมากดูนิดหน่อยเพื่อเป็นสติเตือนใจให้มันกลัวต่อบาปดูเนี่ยไม่ใช่ว่าไปดูเวลาที่เขาทาไปดูเวลาที่เขาถูกลงโทษ สมมติคนคนขโมยของเงี้ย อ, อย่าไปดูไปสนใจเวลาที่เขาใช้กระบวนการยังไงเขาใช้เทคนิคยังไงเขถึงลักได้ขโมยได้น ะ, ะแต่ไปดูตอนที่เขาถูกลงโทษเราจะได้กลัวว่าขโมยเนี่ยถูกลงโทษขนาดนี้เราถึงต้องต้องกลัวค่ะแล้วไปดูอะไรดูสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆตรงนี้ก็คือว่าดูคนที่เขาให้ทานนะที่เขา เป็นจิตใจบุญใจกุศลนะเป็นเจ้าของมูลนิธิบริจาคเท่านัน้นล้านเท่านี้สิบล้านอย่างเงี้ยนะรสร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองบ้างให้ศาสนาบ้างให้สังคมบ้า ง, าง<จ>เราไปดูตัวอย่างพวกอนี้เราจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพอจิตเราน้อมไปด้วยการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราชื่อว่าเดินอยู่บนมักละอยู่บนหนทางที่ให้ถึงความสมดุลในจุดที่ไม่ให้มีตัณหาอยู่ในจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยมีความพอใจในการทํางาน ตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างไรไม่ให้เรามีตันหาคือถ้าถ้าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตคุณแต่ใจสมมติคนที่เขาบอกว่าฉันต้องการมีเงินเป็นสิรษฐีพันล้านทำได้ไหมในคําสอนของพรนะเจ้าแลก็ก็บอกให้ตรงนี้เลยว่าสามารถทําได้นะคือจํานวนเงินที่คุณต้องการเนี่ยมันมันไม่ได้ระบุถึงว่าอาตันหาหรือไม่ตันหาเจ้ค่ะนะตัวเลขก็เป็นแค่ตัวเลข ทีนี้ถามว่าคุณมีตัวเลขนี้แล้วคุณจะไปทาอะไรแต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการเอาไปทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยความเพลินความกําหนัดราคะความอยากความอยากมีอยากเป็นนะอยากจะมีแค่ชื่อว่าฉันเป็นเศรษฐีฉันเป็นไฮโซอันนี้คุณเป็นตันหาแน่นอนคุณจ ะ, ะมีกับดักจะถูกกับดักนี้คล้องเอาไว้อยู่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายอย่างนี้ ก็จะให้เราสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ว่าดีหรือเลวจ้าใช่เพื่อให้ได้เงินมาตามนั้นเจ้ค่ะถามว่าคุณตั้งเป้าอย่างนี้ก็ทำไงก็คิดละธนาคารตรงไหนมีช่องยังไงเขาออกตรงไหนเอาทีมมายังไงอย่างนี้นะมันก็จะไปแนวโน้นไปหรือไม่ก็จะโกงยังไงจะอะไรยังไงเป็นแนวโน้นไปในขณะที่ตัวเลขนี้นบ่งบอกถึงความที่เราจะช่วยคนอื่นบ่งบอกถึงความที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความกําหนัดบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เช่นคุณต้องการเงินตรงนี้มาเพื่อให้โดยาการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกุศลปฏิบัติตามความเพียรปฏิบัติตามศีลอย่างเงี้ยเราจะมีกำลังใจแต่เพราะว่าฉันทักเนี่ยพอเรามีแล้วเนี่ยจะเกิดความเพียรพรูทีับอกว่าฉันท่าที่เธอทรงไว้อย่างดีแล้วเนี่ยนะความเพียร น, นั้นจะเกิดขึ้นคือคือเราตั้งป้าในาชีวิตเนี่ยนะใจเราจะมีพลัง ในการที่จะทำงาน<จ>คือคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยตื่นเช้ามันก็สังกตตายเพราะฉะนันจะไปทำงานดีหรือไม่ทํางานดีวันนี้แกล้งป่วยแล้วกันเพราะมันไม่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าระวังนะถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ผิดโดยมีส่วนของตัณหาก็มาเกี่ยวคุณอาจพลาดได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไม่ถูกโดยเป็นส่วนที่เป็นชันทะนะเพื่อกุศลธรรมอันนี้คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อแล้วพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสบายใจเข้าใจเรื่องว่าอ๋อตัณหาคืออย่างนี้ อ่ฉันถ้าคืออย่างนี้แยกกันให้ชัดเจด <Okay. S 2> นการปฏิบัติของเราจะดีบ้านเมืองเราจะเรินเราจะมี ขาเรียกว่าสความสำเ็ในชีวิตนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าสําหรับเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่นาทีนะเจ้าค่ะประมาณ3านาทีนั้นเนี่ยยมคิดว่าอยากให้พระอาจารย์ไพบูญอภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสรุปรวบท้ายนิดนึงเจ้าค่ะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับความกระจ่างกันเลยนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปในทางสายกลางคือในทางที่ถูกที่ควรใช่ไหมเจ้าคะเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรและก็สําหรับ คนที่อยากจะดับทุกข์หลายท่านอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยเจ้าค่ะจะดับทุกข์กันยังไงด้วยด้วยวิธีการใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะที่พูดมาทั้งหมดในตอนแรกเนี่ยเป็นหลักการที่เราทําความเข้าใจไปละทีนี้พูดถึงวิธีการปฏิบัติจะเป็นการสรุปว่าเราก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะศีลสมาธิปัญญาง่ายมากๆศีล ส, สมาธิปัญญาถึงเช้ามาคุณตั้งใจไว้เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีล อย่า้นจะรักษาสีก็คือสีห้านี่นะจ๊ะใช่สีห่ธรรมดาธรรมดานี่แหละสำหรบสำหรับคารวาสทั่วไปแล้วก็เราก็จะทําฝึกทําจิตให้สงบบ้างนะโดยการสังเกตลมหายใจบ้างปล่อยวางบ้างในเรื่องราวต่างๆและในขณะเดียวกันเราเราจะต้องตั้งความพอใจไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยคือเราไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ฉันจะตั้งเป้าอะไฉันจะเป็นเศรษฐีสักพันล้านอย่าึ่งอย่าพึ้งคุณจะต้องหาจุดสมดุลของจิตของคุณก่อน โดยเดินตามไปตามทางแล้วพอถึงจุดสักจุดใดจุดหนึ่งพอเจอคุณจุดเจอจุดที่สมดุลแล้วเนี่ยเราตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินตาม่างแล้วต่อไปถ้าคุณยังไม่เจอจุดสมดุล น, นะว่าจิตของเราจะทรงไวอย่างไงอย่าเพิ่งทํามันจะไปตกกำลัดักของตัณหาใช่ไหมเราก็ทําศีลสมาธิปัญญาไปก่อนให้จิตของเราสมดุลซะก่อนแลนะ้วโดยการสังเกตลมไม่ใช่ไปนะแล้วก็ปฏิบัติตามศีลของเราไปพอถึงจุดสมดุลนั้นแล้วนะคุณตั้งเป้าที่ยิ่งใหญ่ได้ นะมีตัวเลขกำกับได้แนล ะ, ะโดยให้จิตยอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วคุณเดินตามทางนั้นต่อไปแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่อยู่ยตกอยู่ใน ก, กับดักของตัณหาแล้วก็ชีวิตเราก็จ ะ, จะดีขึ้นมาได้โยมอยากขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าวย อ, อย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ภัยบุญบอกว่า ขอให้เราปฏิบัติไปตามตามทางสายกลางนี้น ะ, ะค ะ, าะทางมาร์กนี้น ะ, ะคะจกนกระทั่งเราอาจจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลพอเรามีศีลมีสมาธิแล้วเนี่ยเข้าสมาธิบ้างปฏิบัติธรรมไปสังเกตลมหายใจเนี่ยโยมคิดว่ามันจะมาถึงจุดหนึ่งนานคะ <า S 1> ที่คําว่าสมดุลของพระจานท์นี่ก็คือเพราะว่าพอเราปฏิบัติมาอย่า ง, งานั้นเนี่ยมันจดเกิดปัญญาเองเนะคะ<ม>เกิดปัญญาเห็นธรรมว่าอ้าว ความความต้องการจริงๆของเราอยู่ที่ไหนถูก ต, ต้องไหมเจ้าคะแล้วจุดนั้นนะ่คุณถึงจะตั้งเป้า ใได้ค่อยมาตั้งเป้าใช่ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเช่นเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีหรือว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อโลกอะไรอย่างนี้จ้าค่ะก็อันนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยเรียกว่ามีชีวิตที่สงบสว่างแล้วก็ไปในทางที่ถูกที่ควรนะจ้ะคะไม่ได้หมายความว่าจะให้จมปลักอยู่กับการไม่ทําอะไรเลยหรือว่าการที่ว่าจะาทำสิ่งไม่ดีซะสุดตรงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็สาธุนะเจ้าคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์อาประจํารายการธรรมารปรุญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้พูดคุยให้ฟังในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นเลยคะ่ะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังตั้งแต่เริ่มต้นรายการในเช้านี้คงจะได้แง่คิดที่ดีมากๆค่ะแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆท่านนั้นเริ่มที่จะคิดแล้วล่ะค่ะว่าจะตั้งเป้าไว้อย่างไรในชีวิตของเราก่อนที่ ดะไปตั้งเป้านั้นเราควรจะทำอย่างไรนะคะค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วละคะ่ะคงจะต้องพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำมัสการขอพระคุณแล้วก็กราบน้ำมัสการลาพระอาจารย์ไพภูณีพิบุรนโน ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธวจานะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งมีพระเดชพระคูรหลวงพ่อดออร์สะอาดที่ทภาคโซท่านจะอาวาตวาดัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ที่จะชี้นาแล้วก็ชี้แนะให้พวกเราได้อยู่ในศีลในธรรมนะคะเช้าวันนี้เรามากราบ น, นมัสการลาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตีห้าพบกันเหมือนเคยนะคะในรายการธรรมารับปรุนเป็นช่วงของการสากาัษาโดยสนทนาธรรมกับท่าน พระอาจารย์ไปบุญเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเลี้ยงพานสาธุเจ้าค่ะ